ของฝั่งเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำอันยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติได้ประทานไว้ให้กับแผ่นดินสยามพร้อมนำบรรดาศัก์เจ้าพระยาเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวและเป็นเส้นทางเปิดออกสู่โลกภายนอกทั้งยังเป็นเสมือน ประการป้องกันพระนครเป็นระบบวิศวกรรมชลประทานสำหรับชุมชนในยุคสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาทำให้การเกษตรกรรมร ะ, ระบบการระบายถ่ายเทมวลภาวะของเมือง เพราะว่าสายน้ำเจ้าพยานีไหลร่องลงสู่ทะเลอีกทั้งเป็นการช่วยป้องกันการลุกรานของข้าศึกศัตรูด้วยในทุกฤดูฝนนั้นน้ำจะเอ่อล้นท่วมทุม่ง ท, ท, ทำให้ข้าศึกผู้ตั้งค่ายมาประชิดพระนครต้องถอยทับกลับไปไม่สามารถที่จะตีเอากรงศรีอายุทยาได้ในการศึกหลายๆครั้ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก็ประมาณปศ 2,034-2,072 ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเช่นเดียวกับที่เป็นเส้นทางการคมนาคมลำเลียงขนส่งข้าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่เจริญงอกงาม Ng Ng ได้ดียิ่งนักสำหรับที่ราบลุ่มผืนน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกับที่ราบลุ่มอื่นๆในทวีปเอเชียข้าวพันธุ์พืชโบราณเก่าแก่ที่เติบโตคุบกู้มากับอรรารยธรรมของมนุมนษยชาติพบได้ทั่วไปในที่ราบลุ่มในสนุนภูมินี้ น, นอกจากที่ราบลุ่มแม่น้ำเจแปยาก็มีที่ราบลุ่มของ ลิลววดีแม่น้ำสรวินแม่น้ำโคงเป็นต้นพระนครศสีอยุธยามีแม่น้ำลบบุรีหลายโอบทางด้านเหนือมีแม่น้ำป่าศักหลายผ่านเมืองทางด้านตะวันออกแล้วก็มาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพยาทางทิศใต้รวมกันเป็นลำน้ำใหญ่ไหลลงสู่ ทางใต้มาสู่กรุงเทพมหานครนี้แล้วก็ออกไปมหาสมุทรที่ปากอ่าวไทยกรุงศรีอยุธยาก่อนกําเนิดเป็นราชธานีนั้นเมื่อประมาณ พ, พาศ1893ณบริเวณที่เรียกว่าตําบลหนองสโนหรือบึงพระรามพระเจ้าอู่ทองประถมมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงอพยพผู้คนหนีโลหาจากเมืองสวนสุพรรณบุรี มาสร้างเมืองใหม่ที่หนองสนหนด้วยเห็นว่าเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ภูนสุกมีน้ำล้อมรอบหลังจากการสถาปนาราชธานีก็ส่งเสริมสร้างประการเมืองด้วยการขุดคูคลองเชื่อมลำน้ำธรรมชาติที่อบล้อมอยู่แล้วถึงสาด้านด้วยกันในสมัยกรุงศรีชยาตอนต้นนั้นข้าวก็ยังไ ม, ไม่ไม่ใช่สินค้าส่งออก การค้ากับชาวต่างประเทศก็มีแต่จะมีแต่ประเทศจีนและเปอร์เซียจนราวปีพศ2000วัสโกดากาม่าได้เดินเรืออ้อมแหลมกุ้งโฮปมาได้สำเร็จโปรตุกเกตก็เป็นชาวต่างประเทศที่ได้ทยอยส่งกองเรือเข้ามาในเอเชียและแล้วก็เป็นยุโรปชาติแรกที่ล่องเรือขึ้นมาตามลำน้าเจ้าพระยามาจอดอยู่ที่หน้าพระนคร ในพศ2554นั้นโดยอังฟองโซเดออาบุคิกหลังจากการยึดเมืองมะละกาได้ก็ส่งดูอาร์เฟอร์ดันเดสมาเป็นผู้นำคณะทูตมาขอเจริญสัมพันธรรมไมตรี